ก็เลยในที่สุดก็ไม่ไม่ละภิกษุสงฆ์มานั่งใกล้ภิกษุหน่มแล้วก็ถามว่าท่านครับท่านแทงตลอดทำนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ภิกษุนี้ก็ไม่อ้อมแอมเนี่ยนะไม่อ้อมคอมานะคือบางคนเนี่ยไม่ได้บรรลุหรอกแต่ว่ามีมายาเนี่ยเลี่ยนเชิงก็อ้อมแอมอ้อมแอมเป็นต้นเนี่ยนะแต่ตรูปนี้ตอบสางาพาเผยอาตมาภาพไม่มีโลกุตระธรรมหรอกอ้าวแล้วท่านก็บอกว่าตั้งแต่แรกว่าท่านจะได้ผ้าสองนี้ไม่ใช่หรือ อาตมาเขาบอกมหาบาพิตตั้งแต่อาตมาภาพบำเพ็ญสารานิยธรรมเนี่ยนะเมื่ออาตมาบำเพ็ญสารานิยธรรมนั้นเต็มสิ่งที่เป็นของที่ดีเลิศที่เขาแบ่งอ่ะจะได้แก่อาตมาเขาบอบางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีของอยู่ชิ้นเดียวที่ต้องจับฉลากเอาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาพิเศษจริงๆเลยนะเก่งมากในเรื่องการจับฉลากพวกนี้จะได้แต่ของดีของพิเศษของอะไรทั้งหลายเนื่องจากว่าผู้ประพฤติสารานิยธรรมจะได้แต่ของที่ดีๆและของประณีตเนี่ยนะ อีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมไว้ดีเนี่ยเทวดาทั้งหลายจะช่วยขวนขวายแล้วก็ปกปักรักษาอย่อางเช่นผู้ภิกษุที่มีปกติอยู่ในบ้านพาตระในจั น, จนทารติสสะพยาวิหารพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ออกจากจากหมู่บ้านนั้นไปโดยที่ไม่บอกพระเถรีเลยคือสมัยนั้นเนี่ยเขามีมีภัยเกิดขึ้นมา เขาเขามีเรื่องมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะก็คือมีประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่เปลี่ยนกษัตริย์เป็นร้อยร้อยองค์เนี่ยนะตั้งแต่สมัยสมัยพุทธกาลมาจบจนปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์เยอะมากเลยเนี่ยนะบางองค์อยู่ปกครองราชสามปีห้าปี1ิปีเนี่ยนะนไปดูในคำพีรมหาวงเป็นต้นเนี่ยนะพูดถึงเขียนค่ากันเนี่ยนั่นแหละทาน บางช่วงเนี่ยก็จะมีคนที่โหดเหี้ยมใจร้ายเนี่ยนะขึ้นไปครองราชพระภิกษุทั้งหลายคนนี้กันไปหมดเนี่ยนะนี้กันเติดเปิดเปิงไปหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยนะไม่มีศรัทธาทีนี้พอบางทีชาวบ้านเนี่ยหนีไปเนี่ยพระเทรีก็พระภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยนะก็ไปดูเอาวัดทั้งวัดพระภิกษุก็หนีไปหมดละเสียงคนในหมู่บ้านก็เงียบหนีกันไปหมดและไปตรวจดู ภิกษุณีสาวก็ไม่รู้ว่าภิกษุทั้งหมดก็ไปแล้วเนี่ยนะภิกษุไปก็รู้แล้วว่าพระภิกษุก็ไปกันหมดชาวบ้านก็หนีกันไปหมดพอได้ฟังก็ภิกษุณีก็บอกว่าท่านอยากคิดว่าภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหนักใจเรื่องอื่นทั้งนั้นทําความพยายามภาพเปลี่ยนเล่าเรียนพระธรรมคําสอนเรียนบาลีปริปุชายโยนิโสมนสิการต่อไปเถอะเนี่ยนะเรียนพระธรรมคาสอนสอบถามคําสอนประพฤติปฏิบัติตามคําสอนต่อไปเถอะ เมื่อถึงเวลาเที่ยวพิกษาก็ห่มผ้าได้เป็นรูปที่12ไปยืนที่โคนต้นสไหิปากลงเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสายก็ถวายบิณฑบาตแก่ภิกษุณี12รูปเทวดาก็บอกว่าพระเม่เจ้าอย่าไปที่อื่นเลยมาบิณฑบาต ท, ที่นี่ประจําเถอะพระเถรีก็สบายเลยนะก็อยู่เทวดาดูแลรักษาเนี่ยนะเทวดาใส่บาตรประจําทีนี้พระเถรีรูปนี้ก็มีน้องชายรูปหนึ่งชื่อวหนาคเทระเนี่ยนะนาคเทระ พนาคเีระเนี่ยก็เลยคิดว่าเราไม่อาจจะให้ภัยใหญ่อย่างเนี้ยคือหมายาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันร้ายแรงเป็นมหาภัยเลยนะเพราะว่าคนชั่วขึ้นครองราชเดือดร้อนกันหมดเราจะหนีไปอยู่ชายฝั่งทะเลดีกว่าเพื่อจะหาอาหารได้ง่าย mm hmm. ก็ไปกับพระพิสุ ป, ประมาณ12รูปออกจากที่อยู่ของตนไปถึงหมู่บ้านภาตะระคิดว่าเออเดี๋ยวจะแวะเยี่ยมพระเทรีแล้วก็จะไปไปเยี่ยมพระพี่สาวหน่อยนะแล้วก็จะไป พระเทรีได้ฟังว่าพระเถระน้องชายมาก็ไปยังสำนักของพระเถระถามว่าอะไรการพระผู้เป็นเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีภัยมีภัยของจันดารติษฐเนี่ยนะก็คือผู้ที่ครองราชโดยอัธรรมเนี่ยพระเทรีก็บอกว่าตลอดวันนี้พวกท่านจงพักในวิหารก่อนพรุ่งนี้แล้วค่อยเดินทางต่อไปพระเถระก็พักอยู่ที่วิหารรุ่งขึ้นพระเทรีก็ไปบิณฑบาต ท, ที่ต้นทรย แล้วก็เข้ามาหาพระเถระบอกว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงฉันบินธบานี้เถิดพระเถระก็บอกมันสมควรหรือพระเถรีนิ่งเงียบเนี่ยนะไม่เอาพระเถรีก็บอกว่าบินธบาตนี้ได้โดยชอบธรรมอย่ารังเกียจนิ่มนฉันเธอสมควรหรือเนี่ยนะพระเถรีก็จับบาดขึ้นโยนในอากาศเนี่ยนะโยนเข้าไปในอากาศบาดก็ลอยอยู่ในอากาศพระเถระก็พระเถระกล่าวว่าอาหารของภิกษุณีอยู่ลอยอยู่ประมาณเจ็ดชั่วลำตาล พระเทระก็เลยคิดว่าขึ้นชื่อว่าภัยไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาวันหลังถ้าเรากล่าวอริยวงแล้วก็บอกว่าคนที่กล่าวอริยวงเคยฉันอาหารของนางภิกษุณีเนี่ยปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปมันทําใจไม่ได้อะนะวันหลังถ้าเกิดแสดงธรรมแล้วเราต้องไปแสดงเรื่องอริยวงแล้วบอกว่าฉันอาหารภิกษุณีเนี่ยโอ้ยทาใจไม่ได้เพราะฉะนั้นภัยอย่างนี้มันไม่มีตลอดไปนิมนต์ปฏิบัติกันเถอะไม่ฉัน ฝ่ายเทวดานี่ก็คิดตั้งแต่แรกว่าถ้าพระพิกษุท์ทั้งหลายฉันอาหารของพวกพิษุณีจะไม่นิมนต์ให้กลับทีนี้เห็นพระเถระไม่รับอาหารของพระพิกษุณียอมเดินทางอดต่อไปเนี่ยนะ ก, ก็ลงจากต้นไม้นิมนต์ว่าขอท่านจงให้บาทเทอก็รับบาของพระเถระมาที่โคนต้นไม้ปูอาสนะถวายแล้วก็นิมนต์พระเถระเนี่ยนะฉันเพราะฉะนั้นเทวดาท่านนี้ก็บำรงุงภิกษุนีสิบสองรูปบำรุงพระพิสุทเจรูปตลอด เจ็ปีพันผู้ที่ประพฤติสารานิยธรรมเนี่ยเทวดาจะคอยปกปักรักษาถวายอาหารก็จะไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารมันอา น, นิสงค์ของการประพฤติสารานิยธรรมโดยเฉพาะข้อที่เรียกว่าสาส า, สาธารณโพคีเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่มีความตรนีไม่มีความริษยาในการแบ่งปันลาบไปนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่เลยเนี่ยนะอ่า มีอาหารที่อยู่ในบาตก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเทวดาก็จะช่วยปกปักรักษาช่วยเอ่อบุเขาว่าช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ของที่เลิศทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของสารานิยธรรมทบทวนอีกครั้งว่าสารานิยธรรมข้อแรกข้อที่1เมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมข้อที่สอง เมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมข้อที่สตั้งเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมข้อที่สี่ก็คือลาบที่เกิดมาโดยธรรมที่สุดแม้กระทั่งอาหารที่นับเนื่องในบาตก็บริโภคโดยไม่เกียรติกันเพื่อตนอ น, นะเพื่อว่าบริโภคโดยเป็นสาธารณณะกับเพื่อนพรหมจารีผู้มีศีล ทีนี้ข้อที่5้าเนี่ยนะสารานิยธรรมข้อที่หภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีศีลไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยศีลที่เป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตันหาเป็นต้นไม่ครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะก็บอกว่าศีลย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารนะอวิปปิสารนำมาซึ่ง ปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่งปสัสสัิปัสสัทินำมาซึ่งสุขสุขนำมาซึ่งสมาธิผู้รวบรักก็คือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นบาดรองรับอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นผู้มีศีลเสมอกันเช่นเดียวกันกับเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลั ง, งนะเพื่อนพระพิสุทั้งหลายท่านมีศีลเช่นใดตนก็มีศีล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 อธิบายเพิ่มเติมว่าศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยนะเป็นต้น่ะถามว่าศีลขาดเป็นอย่างไรก็บอกว่าศีลที่เบื้องต้นและที่สุดขาดเนี่ยนะในอาบัต7กองเรียกว่าศีลขาดเหมือนขาดผ้าขาดริมเนี่ยนะผ้าผ้าที่ขาดเนี่ยนะขาดหัวขาดท้ายส่วนศีลทะลุก็คือเจาะตรงกลางไงส่วนศีลด่างก็คือตรงนั้นขาดบ้่งตรงนี้ขาดมั่งวววแวงแวงศีลพร้อยก็แมมมันลายพร้อยไปหมด ส่วนผู้ที่รักษาศีลไม่เหล่านั้นไม่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยแปลว่าไม่ได้ตกภายใต้อำนาจของตันหาอิสระจากตันหาเป็นศีลที่วินยูชนสรรเสริญเป็นศีลที่เรียกว่าผู้รู้เขาพิจารณาแล้วเขาก็ยกย่องผู้รู้เขาสรรเสริญเขาเขาให้ให้อะไรนะเขาให้เกียรตินะว่าเออศีลเนี่ยเขาคนเนี่ยเขารักษาศีลดีจริง นะพระพุทธเจ้าพิจารณารอบครอบแล้วก็สรรเสริญเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายสารนเริญพระพุทธเจ้าสารนเซินพระประเจกสรรเสริญพระอริยาสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นสรรเสริญเป็นศีลที่ไม่ถูกลูบพลําไว้ด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่ออุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิคําว่าเป็นผู้มีศีลเสมอกันเนี่ยนะ ศีลเสมอกันในสารานิยธรรมเนี่ยเน้นพิเศษก็คือศีลของพระโสดาบันศีลของพระโสดาบันก็สมำเสมอกับพระโสดาบันศีลของพระสกทาคามีก็สมำเสมอกันกับของพระสกทาคามีศีลของพระอนาคามีก็เสมอกันกับของพระอนาคามีศีลของพระอรหันต์ก็เสมอกันกับของพระอรหันต์ศีลที่เสมอกันอย่างนี้แหละเรียกว่าศีลเสมอกันศีละสามัญตาเนี่ยนะ เพระฉันพระโสด an, าบันเนี่ยนะมีศินเสมอกันเรียกว่าชนิดเรียกว่าอยู่กันคนละภากทะเลก็มีศินเหมือนกันศีลในขณะมากนะนะสินในอริยมรรคของพระโสดาบันเนี่ยเสมอกันเพราะฉะนั้นอยู่คนละภากทะเลอยู่คนละเกาะอยู่คนละทวีปเลยเนี่ยนะก็มีศีลเหมือนกันหรืออยู่คนละภพภูมิก็มีศีลเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยอีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์อีกคนเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งเป็นพรหมเนี่ยนะ ศีลของพระโสดาบันก็จะเหมือนกันกันกบพระโสดาบันทุกประการแปลว่ามีศีลเสมอกันเนี่ยก็ระลึกถึงกันเพราะว่าพระโสดาบันก็ระลึกถึงพระโสดาบันอยู่แล้วละเนี่ ย, ยส่วนสารานิยธรรมข้อที่6ก็คือภอิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิอันไกลจากข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะเป็นทิฏฐิที่สัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิหมายถึงโสดาปติมัคคสัมมาทิฏฐิ ที่ไกลจากข้าศึกคือกิเลสเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นนิยานิกระทำอันนําบุคคลผู้ปฏิบัติตามนั้นเพื่อออกจากทุกข์โดยชอบเป็นสิเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเสมอกันคือหมายคว่ามีโสดาปติมัคคสัมมาทิฏฐิเสมอกันเป็นโสดาปติมัคที่นําออกจากทุกข์เนี่ยนะเหมือนความมีความเป็นพระโสดาบันเหมือนกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง ธรรมะแม้นี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัรกระทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ ก, กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันนะอธิบายเพิ่มเติมว่าสัมมาทิฏฐิที่ประกอบกับมรก น, นะเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกทีนี้สรุป ในสารานิยธรรมหกทวนอีกครั้งว่าหนึ่งเมตตากายกรรมสองเมตตาวจีกรรมสามเมตตามโนโกรรมสี่สาธารณะโภคีรบริโภคลาบร่วมกันแล้วก็ห้ามีศีลเสมอกันหมีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยนะศีลและสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาทั้งหประการนี้ชื่อว่าเป็นธรรมที่ทำให้ระลึกถึงกัน เป็นธรรมที่รักกันเคารพกันเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกสูทั้งหลายทิฏฐิคือโสดาปฏิมัคทิฏฐิเนี่ยนะโสดาปฏิมัคสั ม, มาทิฏฐิอันไกลาจากกิเลสที่เป็นฆาสึกโสดาปฏิมัคสั ม, มาทิฏฐิเป็นนิยานิกรรัมนาบุคคลผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ สัมมาทิฏฐิอันนี้แหละเป็นยอดยึดคุณธรรมทั้ง6ประการที่นะในสารานิยธรรมทั้งหข้อเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเป็นยอดที่ยึดรวบคือคนที่มีทิฏฐิเสมอการเนี่ยตั้งได้เลยว่าเขาจะมีเมตตากายกรรมต่อกันเขาจะมีเมตตาวจีกรรมต่อกันมีเมตตามนโนกรรมต่อกันผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบนี้เนี่ยนะลาบทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เสียดายหลอกสาธารณโภี แล้วก็มีทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยนะตนเองก็มีศีลไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยมีศีลเสมอ ก, กันกับพระอริยบุคคลอื่นๆพร้นสาัมมาทิฏฐิที่ระดับโซดาปฏิมักนี่แหละยึดควบคุมธรรมะคือสารานิยธรรมตั้งหกเหมือนอย่างว่าเรือดยอดเรือนเนี่ยนะยึดกูตาคารเอาไว้หมายคําว่า ที่ที่มันทรงกลมเห็นไหมไอ้ไม้เรือนเรือนกลมเนี่ยนะมันจะมีแกนกลางเนี่ยที่ตั้งไอ้ทุกอย่างมันก็ไปพาดตรงที่แกนกลางเป็นหลักเปรียบเหมือนเรือนยอดฉะนั้นเพราะในบรรดาปราสาสตเนี่ยนะยอดปราสาทเป็นเลิศใช่ไหมก็บอกว่าฉันนั้นนั่นเทีเ่ยวความเห็นอย่างประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิอันประเสริฐที่เป็นเลิศแห่งสารานิยธรรมเป็นตัวรวบรวมเป็นตัวเชื่อมสารานิยธรรมทุกข้อเนีย่ยนะ ที่สำคัญ Karma, ที่สุ aja, ดเลยคือตัวทิฏฐิเนี่ยนะตัวทิฏฐิโดยเฉพาะทิฏฐิในมรรคเนี่ยนะสัมมาสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจสัมมาทิฏฐิที่กำหนดรู้ทุกข์สัมมาทิฏฐิที่ละสมุทัยสัมมาทิฏฐิที่ทำนิโรธให้แจ้งสัมมาทิฏฐิที่เจริญอริยมรรคเนี่ยนะก็ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยธรรมะกลุ่มไหนที่มีธรรมะ6กประการเหมือนกันเนี่ยนะเชื่อได้เลยว่าสามัคคีกันจนตายเนี่ยนะ ไม่มีการทะเละาะเบาะแวงกันทุกคนมีแต่ความเคารพที่จริงเนี่ยนะที่ไหนก็ช่างเถอะที่เขามีความสามัคคีกันเนี่ยนะองค์กรใดที่มีความสามัคคีกันองค์กรนั้นจะมีอะไรให้เขาระลึกถึงกันเรีย ก, กว่าสายใหญ่ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยระลึกถึงกัน มีสิ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยรักกันมีสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันทุกคนปรารถนาจะสงเคราะห์เกื้อกูลกันเข้าจะไม่วิวาทกันสามัคคีกันมีความเป็นพวกเดียวกันอยู่เสมอแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็หข้อนี่แหละหนึ่งกายกรรมที่มีเมตตาต่อกันนะนะวจีกรรมคําพูดที่มีเมตตาต่อกันมโนกรรมที่เป็นความคิดที่มีเมตตาต่อกันลาบเกิดขึ้นมาก็ ไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยนะคือทุกคนไม่มีใครรู้สึกว่าใครเอาเปรียบใครแล้วก็มีศีลเหมือนกันมีทัศนคติมีทิฐิเหมือนกั น, น, เ, น, กนเนี่ยนะมันสมาคมนั้นสังคมนั้นก็รู้ได้เลยว่าเขาไม่เสื่อมแล้วก็เพราะมีเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะ